สวันามหม่รู้เสด็จหรือว่าธรรมเทจชวนาใหม่เป็นทางเกิดปุณกุศลนอกทางสวรรค์นอกทางไม่ทางนี้ก็บังกับรับองค์รวมทำไปตามที่บอกนี่คือหมายปลายทางเราจะมีหลายอย่าง อาวุธพวกอยู่ที่ที่จะเอาชนะการเกิดเจ็เจิเตายได้อยู่ในตัวเรานีพร้อมแล้วมีชืภูมิที่ดีมีประเฏิปเสปุรปทศสวาสูอยปรทศที่สมควรเหมือน นักลบในภูมิที่ดีย่อมชนะชอ่ชอสศึกช่อศึกศัตรูได้ม <c oughs> <c oughs> ี่ย่างไงก็มีความรู้สึกตัวนีนน่อะไรเกิดขึ้นกับปลากระต่ายภายนอกภายในมีความรู้สึกตัวออกไปลับและป้องกันในตัวเสร็จ หัดช่ยัดลับหัดป้องกันหัดลูกรูหลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหาน ม, มันมีอะไรที่หลายอย่างคีวิตเรานะมากมายต่ที่เรามาดูแล้ไม่นมา่าโดนพระพุทธเจ้าโดนในป่าข้าป่าสงสารสูตรป่าประดู่ลาย อเอาใบไม้ขึ้นมากับมือหนึ่งชูให้พรสมดูพิสูจน์ทั้งหลายใบไม้ป่ากับใบไม้กับมือเดียวอะไรมากกว่ากันอะไรมากกว่ากันพิสูจน์ทั้งหลายก็ตอบอนนาเดียวว่าไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ไม้ท้งป่ากับใบไม้กับมือของพองใบไม้ทางป่าก็ย่อมมากกว่าใบไม้กับมือนิดเดียว วิญญาณนี่แหละที่สู้ัดหงายอ่าความรู้ต่างๆในมากมายเหมือนใบไม้ในป่าแต่สิงที่สวนนี่ถึงมากถึงผนมีแค่นี้กับมือเดียวเท่า น, นั้นในสติในสังขยานมใช้ลงไปมันหลงรู้ลงไปมันสุขมันทุกข์รู้ลงไปอปนอกไปรู้ลงไปรัาง ควบท้วนบริบูรณแล้วความชั่วก็อยู่นี้ทำคนดีก็อยู่นี้ทำจิตบริสุทธิ์อยู่นี้บริสุทธิ้หลายก็เสนอสดธรรมะเทศนาของพระพุทธเจ้าปฏิภาวน้อมใจสัมผัสได้ทุกรูปทุกองทุกชีวิตกไไ็ได้เวลาได้ อะไรเกิดขึ้นมามัก็มีเพิ่มแล้วมันก็รู้จักตัวร้องรู้ตัวไม่ต้องไปหา <c oughs> มันมีแล้วใช่เลยเล้วก็ไม่ต้องสร้างไอ้ใช่ไม่ต้องสร้างมันไม่ต้องหายกมี้วพิชนีก็รได้ไไงี้ยเงีเงีนั่นมั น, มน โราณท่านว่ามีดินเหมืนฟื้นมีพืนหมือนยิงฟื้นนะมันดีดินดีฟื้นคื อ, อสัตรูเอาอาวุธมาใช้ปืนเอาไปยิงกันนะปืนคือความรู้สึกตัวนะให้เอาความรู้สึกตัวออกหน้าออกตาเช้ให้มากเราจะเป็นนักลุกที่ดีถ้าเป็นนักกีฬาก็เป็นแชมป์เรื่องนี้ เชืเดินความมีสุขตัวเช้นเรื่องมีความรู้สึกตัวอาจ้นเชื่องความหลงตัวอันนี้เราต้องฝึกต้องฝึกหัดอย่าปล่อยปละเลยมันฟืน้นคือฝึกคัดดินคือเมตนาศรัทธาทั้งหลายวามเพียรทั้งหลายก็ปลูกทั้งหลาย ที่วานลงไปในดินสิ่งแวดล้อมมีความเพียนนั้นมีน้ำฝนมีควารู้สึกตัวเหมือนมีข้าวปลูกข้าพันหว่านลงไปนี้สมาที่หนักแน่นมันคงมงากแน่นคอนเพียรไม่หวั่นไหวอะไรเกิดขึ้นไม่หวั่นไหวพลิกมาเป็นดีเหมือนไถพลิกเนญ้าลงไปใต้ดิน ย่าทีงไปใต้ดินกลายเป็นปุ๋ยความลบลวงลางความไม่ดีกลายเป็นปุ๋ยความหลง่ะกลายเป็นปุ๋ยแห่งความดีไดความทุกข์กลายเป็นปุ๋ยแห่งความดีได้พลิกมันลงไปเรว่าสมาธิอย่างอแง่กวนเกินอย่าวันไหวหนักแน่นเอาไว้มีศีล มืนศีลธรรมศีลศีลธรมาจากกำว่าศีลศีลธรรมมาจากศีลธรรมทหนักแน่นไม่เปลีวอยู่เวไาไหนก็ไม่ปเปลียววงอายานะก็ไม่เปลีวหนักแน่นอยู่ตรงนี้มันจะไปเกิดถ้ามันเปลีวมันะ ไ, ไปเกิดที่อื่นไปพอใจไม่พอใจไปเกิดเป็นโทษปัญชา่ ถ้าไปทางวินญานทางตาทางหูจะร้องเรีย น, ยานยกายใจก็เ ป, ป็นเพราะเป็นชาติเพราะภูมิต่างๆได้ความรู้สึกตัวเป็นการคุ้มกำหนดของภพภูมินำลงไปให้มันขึ้นสนงองสักหน่อยก็มาถามขึ้นนงองควารู้สึกตัวขึ้นฉม ง, งมันมีอะไรใช่ลงไปมันก็ติดได้ถ้าเราใช่ ผมรู้สึกตัวมันติดถ้าใชจความหลงก็ติดถ้าใจความทุกข์มันก็ติดไปยินเล่ามันก็ติดเล้าไปสูบบุหรี่ก็ติดบุหรี่ไปเพ่งเล็งในกรรมตระหนัก็ติดในการมตระหนักร า, กากจริศไ้เพ่งเลนในความดิจฉาไห้บากก็เป็นโทสะจุลิศไปลหลงไหลอะไรต่างๆก็เป็นหัวจรลิศไป ผลิตต่างๆนี่เกิดขึ้นเพราะเราใช้ชี ว, วิตไม่เป็นเรามหัดใช้ชี ว, วิตให้ถูกต้องเราก็เช้ได้มีสิที่แล้ ว, วมีความชอบทำแล้วถ้าไปเรียนอสอนพระพุทธเจ้าก็บอกตรงๆแล้วเราสนอน ข, ของที่อยู่หมดชิ้นแล้วของที่หงของที่พวงอยู่ลบหมายขึ้นแล้ว ของที่ปีอยู่เราเปิดออกแล้วมาดูมาดูไม่มืดคือกายกับใจเราเนี่ยมาเปิดดูเปิดห้อง อ, อดูมองตนบันดิตมองตนคนพรางมองคนอื่นอย่าออกน อ, อกทางมาันโลกหลงลางอเ ม, มทาง ทางใจทางตาทางหูก็มีทางทางกายทางใจก็ไม่มีทางหลงหลงไปได้แต่ว่าหดเดียวทางก็ได้มันหลงอาจจะรู่จากทางโดนทุกข์ก็จะลู่จากทางอะไรต่างๆที่ไม่ใช่ทางสำหรับดูรู้บางคนเคยเดินทางให้มันฉับตัดเขาหมกมุ่งง่ยป่าโดยตรง แต่ก่อนนี่เขียวนี่เดินไปไหนต้องตามทางด่านตอนไม่มีทางด่านเดินเร็วได้เราไม่โยงที่เหลือหํามแท่งเลยเลยบ้านไหม่ไปบ้านสวนป่าไปแค่นี้งแต่ว่าเดินตามทางด่านไปกู้ไปตามเล่ต่างๆวัยจะถึงเหลอถามเท่งเลอโอยเช่อใจ ถึงเทนเลยทีเดียวั้งแต่ฉัจไปเอาไมโยงมาทำเตะที่เขาเลื่อยไมโยงไปเอาปีกเปนมามาแล้วก็มาสอยเรืมาทำเตะทากดที่กดเนี่เอาไมโยงทำเป็นี่ันทำยากไห้เรื่องที่มันยากทําทู้ใ่ไหมขี เชิงบาดตีนบาดเหาไม่ยงได้เป็นร้อยๆชี้เท่ากับเขียนล้ให่ะเหาสิบอันได้สักสองสมมันหักมันหักเวลาเหลามันใกล้จะเสียแล้วมันหักเสลยดายไหเป็นไงเสียดายเอยเสียดายใช่ไหมแล้วก็อารมณ์คงขนาดเสียดาย เราทาเจงไงตอนนั้นเราที่กดเราดูเร า, มา ไ, ไม่อยงเนี่ยไม่ไม่ไม่เหมือนเราไม่ผาครับเอากบปีกมาค่อยๆลีดไปเหลวไปเพราะเราจะเช็ดอา้าวหักแล้วบางอันเราจะมาเลื่อกมานะซอยอันเล็กๆ เ, เท่าออฟ <c oughs> ังมาเท่านะ่น อัก็ใช้เวลาพอทุกอดต้องซอยขณะที่ซอยเป็นชีเล็กก็หัดเอามาเหลือีกก็หักทำงุกไหมยากไหมเริมยากเลยมีไหมเริมง่ายหรือมีไหมไม่ใช่เลยคนมีสติทำไปทำไปทำไปทำไปไม่ได้เอาได้ไม่ได้เอาไม่ได้ทำไปเฉยหกรรมมาทรมาน มันก็หัดไปหลายอย่าง้ออทำได้เอา้าเย็บกี่วันลองดูสิเก้าขันตัดลองดูเก้าขันเย็บบนมือลองดูมันจะยากขนาดไหนเวลาเย็บไปเอา้าได้กันมุ่นเข็มหักนุ่ ะจะเขียนเย็บดูผ้านหนาๆตัวนีน้ดูผ้าสวยงามไหมหยุดยู่ตรงไหนลำดับลำมยังไงเย็บดูด้วยมืจริงๆเก้ขาขัน่ะประมาณเก้าวนันเก้าวันเต็มๆขันเช่าเสร็จนั่งเย็บปีบอล อ้า ย, ยอาะมากไปย่องดูาเปยักเข็เอาใบเหียดเอาสอนสุ้ในใบหน้าขามุ้มไปกันไม่ยองทำไงย่องมาเป็นก็กระดางกระเดาอดแลก็เปิดได้ วันเกณฑ์นมดๆอได้สักขุ่นนึ่งมาต้มกับน้ำตีนหนึ่งจนน้ำมันแห้งลงดึน้ำออกต้มอีกเอาซ่าใส่หนึงอีกเอาก พอกาดมันกต้องมีเหลือแต่ขี้ฝุ่นน่ไม่นแนมันเป็นเคื่องดิื่อเหลือแต่ขี้ฝุ่นรวไหมข้ยากลองด่สิตงนี่นายลองดูเชืือแต่ขี้ฝุ่นเลยนามเหือขี้ฝุ่นต่อให้ไม่เลยมันจะเหลืองแล้วก็มาย่อมค่สีขาวกลายเป็นสีเหลืองเลยเกินขุ อย่ยง่วงเนี่ยเดี๋ยว น, น, น, นี้เขาไมทีมีเที่ยวจาัดดีกว่าไปตแล้วนันไม่ออกก็เลยไม่ต้องต้งจงงมจานนเอา่ะเลยด้วยร้นนรานด้ร้านคนมากเป็นไงร้านคนมากเนไงใจเป็นไงหัดตืดตน่นตอนน้นถึงนองวันนนเราไม่ยิ่งมากกว่าะ ใั้แน่นแน่นวงรู้สึกตัวมันจะแบนแน่นมันจะโบโบมันจะยื้นยิ้สดชื่นนะถ้าน้าบวมตามต้อจกไม่ใช่คนรู้สึกตัวมันจะเอื้อปีทำาันทีได้ทอดีมีรถชาติผมมาจันไม่น่าดื่มเหมือนยอด อ, อ้ออะไรเท่าส่วที่สุดทั้งหลายผมมาจันไม่น่าดื่มเหมือนยอดโอชายอดแงโคล ยอดโอชาแห่งโครถเอานน้นยเก็บลอยแม่มาปนกันมาต้มมากองมาทาเป็นเนยยอดโอชาแห่งโครถโคโอชาแห่โครถโค ร, รถคือละเก็บลอยแม่เร <c oughs> <c oughs> าเกลีดนะยดเตียวนี้ยามพี่เจ้าโจภาลา่ะเหงาน้อยอิจฉาไม่ไปไปอยู่ด้วยไปอยู่แต่ต้นเสือหมาโคไม่กลับบ้านบางที พระเจ้าโจกอะเงินน้อยเรให้คนไปข่าต้นชีวาโปเออเสียนดีไปลดต้นรากมันต้นชีวาโปตายเพื่อให้พรเจ้าโจกกลับบ้านแล้วที่พระเจ้าโจกกลับบ้านเสียจอย่างแรงรักแม่โปมากต้นนี่ะเปนหนูไปนะเจ้าโจกมาหน้าไปโอ้ยทำไมเนาะ หาลงโคลเจ็ดรอยตัวให้ามนี่แหละเอาลงคล่เจ็ดล้อยอย่มาลัดหน่อต้นโผลให้เกิดขึ้นอยู่ทช่อดีฉานใจต้นโผล่ไม่งอกไม่งอกมาจะไม่กับบาทแม่แต่ไหนจะอยู่ตรงนี้เข้ตรงนี้รอตัววันรอตัววันเฉียงด ว, ว่าชนาจะนีไหมรักสีมะโผล่เออสีมะโผล่กู ก็ออกขึ้นมาต้นทวนอ่าเมื่อมีก่อนทีน่เราก็มีคนงานตัดต้นแม่พิพากันน่ะก็จะเรื่องเนื้อซีมาต้นร้อบาทแูก็งานอกวาเราต้อเลื่อนต้ น, ตนใหม่แล้วสกุลน่ะแตทําไงหน่อต้อนนี่จะเกิดขึ้นมาลองดูซิย้อนพยายามด เออหลักกปตาก็ขึงอันงอกกันมาเดี๋ยวนี้นี่มานี่ก็ไป ย, ยืนดูโอ้ยยินใส่กันอ่ะลูกเก๋ยังไม่ตายหร อ, อวกว่าก็าไม่ตายยังอยู่สนดีนะเอ้ยสนุกดีนี่นยังได้วพรรณไทยดีเลยธรรมชาตเจ๋จะเดินเล่นท่านี่ป่าอ่าป่าไผวัางไผ่ป่าไผ่ดงไผย เวลาเพียบวางไผ่ยังติดอยู่เรื่อยนไปหาอุท า, ารัาดไม้โปะป่าสองคนก็วิ่งมาเยี่ยมที่นั่นดูตอนนั้นจะทักข์วางโอ้ก็มาหรือกงตาเออมาแล้วมาแล้วแต่ในต้นไม้ต้นไหนนะเป็นไม้ต้นสุดท้ายอาที่นี่ มีต้นสุดท้ายจริงๆนะทำไนจะไปยืมดูยังเหลือไหมจะเอาหลคมนมาเขียนต้นสุดท้ายของสุโกโตไปติดป้ายก็คนจะไปตัดเหลือต้นเดียวต้นสุดท้ายบา น, นเขียนป้ายจะหาหลายคนตอบว่าจะนาหลายคนที่ไปต้นสุดท้ายในต่าสุโกโตนะแล้วก็ถามมาบอกว่า มักเกือบ้างต้นสุดท้ายของไม้รักเนื่อนทือเราทำาะไมก็ไปเรื่งมเราดูมันไม่ความสวดอันสัมผัสกับธรรมชาติเนี่ยมันสบายมันก็สุขกันนั่นเป็นดูฉันขอให้ฉันอยู่ในป่าเป็นชาวบ้านเป็นนัดบ้าน มีพละมากอาจารย์พยุทธอดเป็นพระอยู่ในวัามีพละมากชาวบ้านอยู่ในวาดมีพละมากต้องเป็นคุกเป็นฉากกันเต็มที่เห็นไหสับๆกันยตงมที่ท <laughs> ปัญหาสังคมมีมาทุกตาปีเรื่องลูกเส็จแล้วเอ้าวเรื่องหลานเลื้องหลานเสียเปล่า เ, เรื่องเดิน เออเดี๋ยวสุดยลี้หล <laughs> ่อนจุดต่อก็อ่ะปัญหาเกิดขึ้นมาทุกตาปีไม่เห็น <c> ท <oughs> ีจะประปัดขจันมันอะไรอย่างนั้นเออชวนมาหลงเจะกับหลวงพ่อกล่มไปปฏิบัติธรรมเถอะาพาโอยอะเจ็บปวดโอ้ยไปไม่ได้ ข้างสองคนทำเอาโอ้โหปลองนงมอไม่ปัญหาสังคมก็มาุกตาปือไม่เห็นทีจะปฏบัดขจัดปันเห็นดูฉันขอฉันเป็นพ่อตูตาไม่เรียว่าเป็นเพื่อนทุกข์กระเสือมาแงจงแดงทําอยู่จําเจอแล้ยินไหมยังจี่ดีจยงอะไรล่ะแต่ตดนนี้ไม่มีแล้วเจ้ยดาย พอเราเถอะไม่เบื่อเดือก่าเสนุกดีแต่คนอยู่คนเดียวเดือกเยอะปะไม่ช่บนอนนะอยู่คนเดียวอยู่คนหมุนนอนหลบอยู่คนเดียวไม่นอนเลยเน้ออะไรเลยปะเดี๋ยวสนุกชาดีเดี๋ยวนี้ก็ตัวไมางต้นหายจากเราไปแล้วต้นชาดต้นเดือกมีเขีตัวจิตใต้นอยู่ถุงน้ำน้ำตายหมดแล เพราะเขตบริการไม่ม to ีทางรถทางเหลเข้าไปไม่ค่อยมีกนมารบกวนต้นสาดช้างตายหมดแล้วซาช้างเป็นดาราดาราในป่าชาติก็เป็นดาราในป่าโอยที่สุดเลยนี่พี่นี่พ่อมาแล้เนี่ยเเก่าเหมือนกับขัดกระดาษทรายเลย เราก็ต้องใจ อ, อ่อนเลยหมดนันนิดเดียวพอไปไม่ได้ตายก็หมโอ้ยไม่มีเส้นนเลือดเลยิดหายหมดแล้วนั่นก็หมดไปหมดไปเราก็หมดไปมาการเวลาย่อมกินจัตปรจิงเพไม่ใวนเองเวล า, ามันไปกินเราไม่มีใครต้องกันเรา เราใช้เวลาใเปประโยชน์โดยที่ไม่ปฏิบัติธรรมนะ เ, เวลามันยักยตายด่างไหมว่าตอบไปว่ากินเรา <c oughs> เนี่ยค <c oughs> ื น, นองไปองไปแบรนี้เราทำประโยู่ถ้าเราลุกจากตัวมรนกินเวลายักตายไปเลยเพอเราไมุ่้กตัวยักเอาคงเหลือมาครอบเรา ปอไวันเดียวอยู่ในวัฏฏะหมุนคุ้ิดศุกศทุกทกกอยุ่กระจายดักเอาคงเหลืวงเข้าไปปเมือว่ายังโกรธยันเก่ายังทุกข์อันเก่ายังลงเจ้าังรักเก่ายังชังเจ้าปัญหาเดิมเก่าโลหะถูกกัดขังครอยำชิดยังเก่าศุกโลเก่าทุกโลเก่าเป็นตัวไป ถ้าเรา ม, ามีสติยักเปิดกงอกยักก็ตายเราามากินเลยล่ะ ต, ต้องร้องแต่ีการเผยแพร่ข้าวเห้ก่อนมีภาพสลด์ในปฏิจสมุบาทมีภาพสลั์บรรยายในภาพมีองคีธิวันก็มีสลั์ มีเขาเหฉันโดนก็มีฉลาดมีมหาตรมะคารทีก็มีฉลาดใช่ไหมไปแทรกกันาความดีแล้วก็ช่วยกันได้เรียกเด็กเกเด็ ก, เกมาดูแลแต่ฉลาะของตายคนเอาไปกลับขึ้นมาสุนหายหมดแม้กระซินก็หายแต่ภาพก็หายไปหลายเรื่อง เราจะไลก็เหือแต่ากมันบอไปฟังไปหมดว่จารล์ธรรมชาติวิลารณ์ไปเราก็มีพระมหาลูกนี่ยมาไปอยู่เทือกเรียนจบเรียมันเอาไปอไปเป็นปีสองีเอาเขนมาเลแต่ซาเลยว่าเจ็บไปเป็นพิษเปนพันเนี่ยังคิดว่าให้พูดช่นหน่อยเนาะนีบปัญหาไม่มมันมีอยากจะแสดงอะไรช่หน่อยไหมพวกเรา แสงว่า ไ, ไม่ใช่ประเทศโดเอากรนพระเจ้าจา่ามาพูดกัหน่อยขึ้นสลัดกันหน่อ ย, น ย, นนอยคนนี้เป็นเมืองลู่อไอยู่ไหนยังไม่ได้ขึ้นมาเลยอยากฟังไหมกรรมกรมาปฏิทินพระเจ้าจากสินพระเจ้าจา่กสินกอบกูก้ประเทศชาติขึ้นมาเอาแผ่นดินมาให้เรา ปันโตพ่อชื่อว่าพระเจ้าตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระชานาขอถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแต่พระปมาาัตพระจารดาสมณะพระโคดมให้อยู่ยงคงทน 5, ห้า0ันปีสมัยขีความประพฤติปฏิบัติทำให้เหมาะสม ปฏิบัติส ม, มุทตวิปัสสนาพ่อชื่นยมชิดถึงพ่อพ่ออยู่กับเจ้าภาพของเราก็อยู่คู่กับพระสาทนาะพระศาทนาแน่ไม่คู่กับพ่ออยู่คู่กับกระชับตาพระชาสนานอบไหว้ให้คู่กันแล้วนี่มันถาเราเอาภาพพระเจ้าตา <laughs> ก่อนเลยไปโชว์ อะไรคาะนีน้ให้รัฐ บ, บ, บาลด้เราก็ติเกอต่อยอดไปเรา้งหหลวงยงบัญชาสามชีกันติ ด, ดต่อทังสองคราวไม่ต้องกระเจงทำให้เป็นให้เด็นของสุโขโตฆ่าทาไมให้ ร, รู้จักให้รู้จักเอไปแจกนะครัติเกอเจรงลงชี้ไปเลยคือ พุทธษาที่เรื่งพิจุบวจบใกาวุปาวาิป่าจุก <c oughs> ุโตสถาบันสฏิปัตย์นั่นเราวิ่มาเลยแต่ตอนเนอยากร่วมผิดร่วมชอบร่วมนี่นะเราอยากจะทำอยู่แต่ว่าแค่นี้เราอังนนไม่ซีกไปงัดไม่สูงนม่มีค่าอะไรแต่เราก็คิดแบบ น, นี้อยากทำอมไสักอย่าง ้ชาติม้านนาสืบลุงเงินแล้วก็มันมีความสามารถนล่มันเป็นนาโยโกท่มันตื่นไมเป็นสาสอมาเป็นเจ้าขนชลาชั้นธร้นปมเป็นหลังตาอยู่ในดวงตาอไอย่างงี้ไม่คิดเลยอะไรนถ้าไรพวกกรมสัก็เนเท่าตัหลวงพ่อจะเดินตามพระ์จะไเท่หลวงกทกไปแจกแล้วก็รีกลับมา ปิดปากรลางเงียบเกิดคิดเรื่องมู้ไม่ได้ไปทนก็คิดอย่างนี้เพื่อให้รับผิดชอบไม่เกิดเงสุสกันโดยภาพทั่วทุกสัมปถิงแม่ต่มดนบมะเรงต้นหมากลากไม้ชาจาดถึงชีวิตนว ค, คนนยิ่งน่าช่วยที่สุดแหล่ให้ไปปล่อยกันทุกทำไมให้ปล่อยให้กันหลงทำไม ให้ตัวเราไปปล่อยให้เาเป็นทุกข์ทไมไปปล่อยให้เราเป็นหลงทาไมทำไมไม่ช่วยตัวเรามันช่วยได้อยู่อามันรู้จักตัวแ ย, ยกออกมาถอนหลบ ม, มาเหมือนช่างเงนตกลุมมันถอนหมาค้ายมันตกลุมมันรู้จั ก, จกถอนของไอกอกเป็น เ, เรื่องควานะขี้น้อยเวลามีโทมรเรียกว่าโทมโทมหมายถึงสัม จะเป็นป่าไม้สูงสูงเป็น ا, ป่าหญ้ากรมเป่าเพราเดินไม่ได้หญ้ากรมเปามันบาดเวลาไล่ควายข้ามโทถ ม, มต้องขี่กวายถ้าเดินไม่ได้มันหล่มควายก็หล่อมก้าหนึ่กงก็หล่มสองเก้าไปก็หล่มเมื่อมันหล่มแล้วมันทําไงมัเอาเขา่าคุบเข่ามนไม่เหยียบไงอันคุกเข่าเดินเอาสับแตกๆเออคุเขาเๆๆ่าก็หล่อเลยทำไมมันก็จี้งไปเลยหลังขวบขวายหลังตาล่ะ มันจิ้งมีพิกตัวไปพอิกตัวหายท่องไปคุกเข้าขึ้นอีกวันยังเลื่อีกแม่งเกีไงพิกตัวไปเลยโอ้โห้ควายมันช่วยเตีงหนอแล้ววันไหนช่วยเตงหนอเวลาโกรธช่วยเตีั้ไหมเวลาทุกข์ช่วยเตียงไหเวลาหลงช่วยเตียงไหถ้าไม่ได้ช่วยเฉยเนี่ยโอ้ยมันสู้ควายได้ใช่ไหมเราช่วยควายไ่ได เนี่ยหลังจาป่วยปีอ่าน่าก็จะประจันทุกขนี่เต็นอนอยู่แล้วก็เงียบกังเขนทำมันอยู่พ่อนกแม่นกหาเหยื่ อ, อามาป้อนลูกข้ามาอมาเกาะปากลังปุ๊บลูกนกก็มันเหิวว่ า, าปากขึ้นแม่นกก็เอาเห ย, ยื่อพอนลงไปแล้วก็พ่อปามาอน น่าคาเปนือมางออยู่ปากลูกนกไม่อ้าปากเพรามันอิ่มใช่ไหมไม่บอกกันมันไม่บอกกันนะฉุดแล้วลูกนกอิ่มมันก็มีาปากนอนใช่ไหมเร า, าก็กินเยอะแต่โอ้โดอกเนี่ยเ น, ยนาะถ้าลูกไม่อิ่มไม่อิมมาได้ใช่ไหมคนนอ น, นกันนไงไงต้องขัน้นถ้าลูกอิ่มอิ่มมาได้มันเนาะ เราบอกว่าอวนแม่สินะ้ำเราต้งรบอวนก่อนแม่งวนลูกเองก่อนแม่จะค่อยยิม น, นกมนมาช่วยกันนะอันเราเนี่ยไปเอาเปรียบมาทมําน้าไปกองไปกินกันทำไมทำไมไม่สงสารกันอันาอะไรตัวมีปัญญาสิาลูกโบจับมาได้ได้กระทเราเปรียบคนโลกอะไรเราทนี้จะมาช่วยกันทัย โลกแต่น่าจะอยู่รวงวันนนสันติสุขนะะเราก็มีช่วนี้กระจอกเด็ดด้ยสุกโตกนะแล้วก็มา ช, ช่วยกันนะมาช่วยกันนะทำํำไมดูยังเห็ น, หนโบ ก, ก, กันรพูดก่อนนะก็มาช่อ่ามาช่วยรวมรวมนั่งๆสุกโตก็นี่นั่งอยู่นี่เจ้ายองก็ยองสายหยุดเป็นโอ วิถี พ, พันธุ์บ้านพระพุทธบาทาหลายชีวิตอยู่เนี่ยทานร่วมหารใดก็ไม่มหลาย ช, ชีวิตพระคุณเจ้าพระสงฆ์เออแยังอกอกเถอะพวะเราอะไรที่พอจะสบงบความเย็นให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยผมก็มีร่วมในชามา40กว่าปี จังหานขึ้นสมองจนทุกวันนี้ยังไม่ไปไหนเ <c oughs> นี่ยมพิจารณอยู่กับหลงพ่อเดีย น, นังเลย8ปปีก็อยู่ขันจเจร์สองปีก็อยู่กรุงเทพก็จังามีนังปปีนี่ก็ประโยู่พุทธพุทธมนทนแว่บางคนไมะจังา ไอ้อยู่ตอนนั้นสอันานันแล้วอยู่นี่สามสิบปน่ิปุเอจะทาอะไรทำตงวยังฮะกรานก็องแต่มก็ช่วยไม่ได้เลยงานล่มเหลวแต่ว่าเราไม่ล่มเหลวยังมีไฟกรามานยังคิดจุงเราถ้าเราไม่ชิดถึงก็ช่าง รูกันมาแลราะตอนนี้ก็ไปแล้วแต่ไปคนเดยวน่ไปฉันพินที่น่นช้ไม่ได้เลยไ่ต้องทำแล้วพวกงูใช้ไม่ได้เะไปคือผลใช้ไม่ได้เลยต้องใบใบซะหน่อยขึ้นรถต้องขึ้นก่อนมูลงรถก็ลงก่อนมูลงวเดียรสองหล่้เดียนี่ลงรถไม่ลงทีหลังงูนะขึ้นก็ขึ้นก่อนเขา เรายอยงลบมันนะไปสวยมอไปทำได้ดีงเราพยันมันั่งข้อหมอนแต่บงโลกผมผ้าพระลงพลังมานั่งหลวงพ่อไปเยี่ยมบ้านลูกสาวปอยพ้าลงนถไปนอขี้ฝนเยอ้ยเอออาการหลวงพ่อปะมาณเนี่ยเป็นวาเก่าเพราะมันนั่งโ อ, อ้อปปอยหลวงตางพ่เป็นนร้โ เราหเาหรือต้อมาบนนี้เนาะเราไมเลยอกทีหลังไม่กพระกลมก่อนจะละมันเร า, ราไปให้หลวงพ่อแบบนี้หลว่อแบบนี้รักตกไปได้ทุกที่ทุกทางนั่นงคงไหลเราเลื่อขึ้นรถังหัวลงใต้ไปได้ถ้าหลวงพ่าแบบโจงนะไว้คุว่ายอย่าไปทาแบบนั้นให้มันเรียบร้อยโอโหล้วให้มันเรียบร้อย ต้องรีบต้องรูเฉลยเดี๋ยวนีห้หลวงตาเอาของขึ้นรถไปแล้วอลเอาย่างขึ้นรถไปแล้วเตรียมตัวเราจะไปไหนให้พร้อมเราจะพูดแรดงทำก็พกร้อมเราจะทําดีก็พกรมเบิกความช่วก็พกรอมไปไหนก็พรนะ ม, าามอมนัยโยโยกกรรมฐานะไม่ใช่นู้ยโยกกะกูกะนะไมาใช่ให้เป็นนักลบเฉลยหนึ่งเอาค้องตัวในการใช้ชีวิต ให้เราเจอเอาที่เข้าป่าอย่าไปด้าอายุแต่ความรู้สึกตึงติงมันอยู่กับเราเนาะมันเรามาช่วยเราไม่ยิ่น้อย่อน้อยนู่นนีนะอ่ะอันนี้ก็สงควนเจรละกับพระทกันให้เราพูดคเล่พูดธรรมไปนะ